เรานั่งภาวนารอบแรกเราก็นั่งภาวนาไปแล้วชั่วโมงกว่าทําบัดสสวดมนต์ธมบัดสสวดมนต์นี่ก็20กวนาทีต่้ไปเราก็คุยกันบ้าง การตั้งใจภาวนาเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเราเองคำศัพท์เนื้อสร้างตัวก็คือสร้างจิตสร้างใจนั่นแหละปัจจัยส่วนนี้เป็นอัตตปัจจัยเป็นส่วนที่เราจะต้องรีบต้องเร่งต้องขวนต้องขวายต้อง เอาการเอางานสนจิตสนใจให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนเพราะมันเป็นเรื่องของจิตเ ร, เรื่องของจิตมันมีทั้งธรรมแทรกมันมีทั้งกิเลสแทรกถ้าเราไม่พยายามตั้ง อ, อกตั้งใจจะยกจิตเจ้าของให้พ้นจากที่ต่ำแล้วกิเลสกระแทก เราตั้งใจตั้ง อ, อกตั้งใจพยายามยกจิตของเจ้าของให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นคําว่ายกจิตของเจ้าของให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นก็คือให้จิตมันอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่คืออารมณ์ที่เป็นธรรมยกจิตออกจากอารมณ์ที่เป็นฝ่ายต่ําอารมณ์ของกิเลสมันยั่วยวกนกวนใจ อยู่ข้างในนั่นแหละอารมณ์ของกิเลสมันยั่วยวนกวนใจอยู่ตลอดเท่าที่มันเคยเกี่ยวข้องผูกพันมามันเชื่องมันชินอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวนั่นแหละเพื่อเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยเผลอไปไปตกอยู่ภายใต้อํานาจของมันจิตของเราตกเป็นทาสของมันมาหลายกลับหลายกันบางกลับบางกันเราก็ไม่รู้เรื่องปล่อยมันพอกพูนซะฝ่ายเดียว บางกัดบางกับบ า, ก บ, บางกันเราก็พลอยได้ยินได้ฟังบ้างมีผู้บอกคุณแม่ผู้สอนเออก็พอเบาบางขึ้นมาสักสักหน่อยยังปัจจุบันนี้เราถือว่าเราได้อยู่ในธถ้ำกลางอยู่ในถรำกลางที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นกับข้อปฏิบัติปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรง อสังสอนต่อเนื่องมาครูบาจารย์ก็จับต่อเนื่องมาพวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราไม่อดไม่อัน้นรู้ช่องรู้ทางรู้บายรู้วิธีที่จะต่ อ, อกกอนกันกับกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสกับตัวเองให้มากนี่เป็นอัตตปัจจัยไม่ใช่ปรรปัจจัย คนอื่นสิ่งอื่นข้างนอกเป็นเรื่องปรัปัจจัยที่ท่เรียกว่าปัจจัยอื่นเราได้ยินได้ฟังแล้วกว็าตามมีคนบอกคนสอนแล้วกว็าตามถูกบีบบี บ, บแกมบังคับบ้างก็ตามก็ยังถือว่าเป็นปรัปัจจัยคือปัจจัยอื่นมันอื่นไปจากจิตของเราแต่ถ้าหากเราเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติ เสียดายเวลาเวลาอยาให้คุณธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเรานี่เป็นอัตตาปัจจัยแท้ต้องการให้จิตของเราสงบเราก็ตั้งขยันมันเพียรยกอารมณ์ขึ้นเนืงน่งเหนื่งยกอารมณ์ขึ้นบ่อยๆยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่สูงคืออารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าเราไม่ยกมันก็ตกไปตก ก็อยู่ในอำนาจของอารมณ์ที่เป็นกิเลสนั่นแหละพนึกผาคิดเรื่องรักบ้างเรื่องช่างบ้างเรื่องทํามหากินบ้างเรื่องโกรธเรื่องเกลียดบ้างเรื่องนูน้นเรื่องนี้ยุมย่มยิมย้มยิม้มบางทีไม่เป็นเรื่องราวไม่เป็นสาระแก่ฑสารอะไรก็เอามาคิดมานึกมาปรุงวุ่นหัวใจไปหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะถ้มามันมาพันหัวใจเท่านั้นแหละเราให้ความหมายให้ความสําคัญต่อมันแล้วหันเหไปตามมันแล้ว โอกาสที่จะรู้สึกเนือ้อรู้สึกตัวเนี่ยกว่าจะทันมันก็โอ้ยืดยาวไปจนได้เรื่องได้ราวแล้วกว่าจะได้เรื่องได้ราวมาปรับปรุงมาแก้ไขมาปรับแปลงใจของตัวเองก็ไปหมดม่รู้ลท่ละไร่แล้วชีวิตนี้จิตใจนี้มันก็อยู่อย่างนี้แหละถูกกิเลสดึงไปลากไปจูงไปธรรมะรังเข้ามาดึงเข้ามาให้เยอะเข้ามา ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาในที่สุดก็สู้อำนาจธรรมไม่ได้ต้องอาศัยความอดต้องอาศัยความทนต้องอาศัยความอุ่สาหาความใจยามสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเราเองคำว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือสร้างกิตสร้างใจนั่นแหละอืตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งเยี่งขึ้นอ่า สินห้าสินแปดก็ตั้ง อ, อกตั้งใจย้ายมันแฉลบออกไปสินแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละองค์ของสินก็ให้รู้จักสินห้าก็ให้รู้จักให้เต็มที่สินแปดก็ให้รู้จักให้เต็มที่ในส่วนที่ละเอียดยามถือปฏิบัติให้มันละเอียดลอไปตามนั้นเพราะนี้เป็นรั้วกัน้นเป็นรั้วรอบขอบจิตที่จะกีดกันกีดกัน้นไม่ให้จิตของเราเนี่ยทะเลทลายออกไป ดึงกิเลสเพื่อจิบเป็นเหตุให้ตะลักออกมาทับท่วมกายทับท่วมวาจะกิเลสมันพร้อมที่จะแสดงออกมาทางวาจาคำพูดเสียสีกระทบกระทั่งพูดโกหกงดเท็อะไรสารพัดพร้อมที่จะแสรกเขามากิเลสมันพร้อมที่จะแสดงออกมากิริย์ทางกายเนี่ยฆ่าสัตว์เอากายฆ่าลักทรัพย์เอากายลัก ประพฤติผิดในการมเอากายประพฤติผิดกินเหล้าดื่มสุรามีไรเอากายไปดื่มเราจะทำด้วยกิริยาใดก็ตามมันก็เกี่ยวเนื่องกับใจทั้งนั้นแหละเนื่องจากว่าใจเป็นนายใจเป็นประธานของอัตภาพร่างกายตัวนี้กิเลสส่วนห ย, ยาบๆที่มันอยกแสดงออกในแสดงในจิตได้ แต่ถ้าหากเราระ ง, งับทางกายได้ระ ง, งับทางวาจาได้มันก็ช่วยปกป้องคุ้มครองเป็นรั้วรอบขอบชิดเป็นเหตุให้กายของเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่องบริสุทธิ์ขึ้นแต่ถ้าหากกายเราก็ไม่สํารวมระมัดระวังวาจาเราก็ไม่ได้สํารวมระมัดระวังมันก็เป็นเหตุกระเทือนเข้าไปที่จิตทุกระยะทุกเวลานั่นแหละล่วงละเมิดทางกาย ก, กระเทือนไปที่จิตล่วงละเมิดทางวาจาคําพูด เป็นเหตุกับเทือนเข้าไปที่จิตเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นรั้วรอบขอบชิดได้เป็นอย่างดีเหมือนรั้วสองขอบฝั่งสองฝากทางต้อนให้เราไปตามเส้นทางกันไม่ให้อาเราออกนอกรูนอกทางต้อนไปไหนต้อนไปสู่มรรต้อนไปสู่ผลต้อนไปสู่สวรรค์ต้อนไปสู่นิพพานไปตามนา ไปตามกรอบไปภายในกรอบของศินศินก็เป็นธรรมบวกเท่ากับไปภายใต้กรอบของศินของธรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากนั้นแล้วเราก็มีเวลามาบุกภาวนาการบุกภาวนาก็คือเข้าไปอัดที่ตัวจิตนั่นแหละเพราะจิตมันนึกมันคิดมันปรุงไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันแย่เข้าไปที่จิตเนื่องจากจิต เรื่องชินไปกับมันเนี่ยมันก็ดึงไปทุกระยะทุกเวลาที่เราดึงมาภาวนาภาวนาสิ่งที่เป็นหลักเป็นปัจจัยหลักก็คือสติคือสมัมผััญญาสติคือเราเอาจิตตื่นขึ้นมาสามัมผััญญากรู้ตัวขึ้นมาจิตที่เคยลืมลืมหลงหลงเคลิ้มเคลิมหลงไรอะไรต่อไรเนี่ยหลงหน้าหลงหลงัลงหลงัล ง, ลงเราก็มีสติกากับเข้ามากํากับให้จิตอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ที่เป็นธรรมไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปตางอารมณ์ที่เป็นกิเลสสติกำกับเข้ามาสมัมปชัญญะกำกับเข้ามาเพื่อจิตได้รับความสงบอเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมมากำกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ร, รู้กำกับอยู่กับอันนี้ตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่กับอันนี้แหละเดี๋ยวมันก็ได้รับความสงบเพราะอันนี้เป็นวิธีการ เป็นวิธีการที่พุทธิยถาท่านทรงสอนให้เราใช้สติใช้สัมปชัญญะระลึกรู้อยู่กับบทธรรมกับอารมณ์ที่เป็นธรรมจนทำจนมันเชื่องชินอยู่กับอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็จะเริ่มให้ความอิม่มเ อ, อิบภายในจิตก็เริ่มสงบจิตเริ่มอิ่มจิตเริ่มสง บ, เ, สงบเนื่องจากอยู่นนะคับอารมณ์ที่เป็นธรรมมันไม่เหมือนกับอารมณ์ที่เป็นกิเลส อารมณ์ของกิเลสเรานนึกทัั้งวเราคิดทั้งวันเราบริโภคทั้งวันก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อไม่อิ่มไม่พอเหมือนกับเอาเชื้อไปใส่ไฟมันก็เอาใสฟืนใสเชื้อไปใส่ไฟใส่ไปเท่าไหร่ก็ไฟไม่อิ่มพอเชื้อของกิเลสอาหารของกิเลสยือของกิเลสก็เช่นเดียวกันเราหาป้อนเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอิ่มไม่มีพอมันอิ่มไม่เป็นมันพอไม่เป็น ความอยากมากมายมหาศาลยิ่งกว่าแม่น้ําในมหาสมุทรนั่นแหละนาทตันหาสมานาทีนี่แม่น้ําเสมอด้วยตันหาไ ม, ม่ความอยากตัวนี้แหละมันแสดงออกมันนึกออกมันคิดออกมันปรุงออกออกไปตามความหิวออกไปตามความอยากของตันหาที่มีอยู่ภายในจิตตัวที่หิวโหยที่สุดคือตันหานั่นแหละพาจิตหิวโหยอ ไม่ใช่เราจะว่าเราจะว่าจิตหิวหอยโดยอย่างเดียวธาตุเดียวก็ยังไม่ใช่ตัณหาน่ะแหละมันพาจิตหิวโหยเนื่องจากเราไม่เคยบังคับบัญชามันตัณหามันเป็นสิ่งที่แฝงมากับจิตเคลือบมากับจิตแฝงมากับผู้รู้จิตคือผู้รู้ตัณหามันเคลือบมามันแฝงมามันเป็นคราบมันเป็นธาตุเคลือบธาตุแฝงธาตุผสมผสมมากับธาตุรู้ผสมมากับผู้รู้ อมันเลยเอาพลังงานของความอยากนี่แหละดึงจิตไปรั้งจิตไปชักจิตไปลากจิตไปโจูงจิตไปจูงไปสแสวงหาให้สมที่มันอยากนั่นแหละแสวงหาเพือ่อที่จะอิ่มสแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่มีอิ่มสแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่มีอิ่มเหมือนหาสมุทดไม่อิ่มน้ำนั่นแหละน้ําตกไปเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่หาสมุดก็ไม่อิ่มฉันนั้นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวง ที่ไปเกี่ยวข้องกับจิตไม่มีการอิ่มไม่มีการพอได้สิ่งนี้พอสิ่งนี้ยังสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นยางสิ่งนี้ได้สิ่งนี้ยังสิ่งนั้นได้สิ่งนี้บริโภคใช้สอยไปเป็นการเป็นคราวสักหน่อยหนึ่งกับเบื่ออาหารใหม่แสวงหาของใหม่ได้ของใหม่มาบริโภคใช้สอยไปใช้สอยไปเบื่อแสวงหาใหม่พอมันชินมันชามันเบื่อแล้วก็แสวงหาใหม่ ไม่ไม่ใช่เบื่อนายเพื่อคลายเพื่อจางจากอำนาจของการดิ้นรนแสวงหาเหมือนอย่างอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมมันอิ่มมันอิ่มมันอิ่มจนจิตไม่ดิน้นไม่รนไม่แสวงหาเนื่องจากว่าตัณหามันมาแทรกจิตไม่ได้เมื่อตัณหาแทรกจิตมาจิตก็เป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระจิตก็อิ่มแม้แต่เราให้เขาบริโภค อารมณ์ที่เป็นคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเขาก็จะอิ่มในเมื่อเขาอิ่มถึงเราไม่บริโภคเขาก็อยู่เขาไม่ไปดิน้นรนแสวงหาอารมณ์ใหม่ละเพราะมันอิ่มที่จะเรียกว่าปีติคือความอิ่มในปิตินั้นมีความสุขในปีตินั้นมีความสงบในปีตินั้นมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบมีความชุ่มเย็นเกลื่อเซาะเข้าไปไม่ได้ กิเลสไม่แทรกเข้าไปเพราะกระแสะของความอยากมันสงบไปมันระ ง, งับไปจิตไม่ดิน้นไม่รนแสวงหายเยื่อตามอนักของกิเลสจิตอิ่มอยู่กับอารมณ์นี่คือความสงบเราทําไปแล้วจิตจะได้รับความสงบสวางสงบสงบอันนี้มีความสุขอยู่ในนั้นเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานนะจิตมันสงบก็เพราะกิเลสมันสงบ กิเลมันสงบ ก, ก็เพราะว่าจิตมันอิ่มทำกิเลสเข้าไปแทรกไม่ได้มันยังไม่หมดแต่มันเข้าไปแทรกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาจิตที่สงบนี่แหละเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเพราะจิตถอนออกมาถ้านก็กำหนดให้สงบเข้าไปอีกเราก็กำหนดเข้าไปอีกสงบก็ามาอีกได้หรือแมก้กร่งได้การได้คราวสมควรเกลเวลาเราก็มาพิจารณาทาลายความลุ่มหลงบ้าง พิจารณาบ้างทําให้สงบบ้างพิจารณาบ้างทําให้สงบบ้างเดินสลับกันไปอยู่อย่างนี้เดินเดินสลับกันไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่สงบอย่างเดียววันนี้ไม่ได้ไม่ได้สงบสงบแล้วก็ไม่ยองพิจารณาหรือก็พิจารณาอย่างเดียวตลอดเปิดเผยไม่สงบอันนี้เราถือว่าเรายังให้ไปด้วยกันช่วงที่ทําให้สงบก็ท้องให้ ตั้งใจทําให้สงบช่วงที่มีความสงบแล้วเอามาพิจารณาเพื่อทําลายความหล ง, งตัวเองเพราะจุดใหญ่คือการทําลายความหลงของตัวเองถ้าจิตเราไม่สงบเราพิจารณ า, เ, าเราพิจารณาสังขารไอตัวที่เป็นเรื่องของกิเลสมันกระแทกเข้ า, ขเขามาแทนที่มันจะอิ่มเอิบอยู่กับอารมณ์ที่เราให้เขาสงบพิจารณาไปพิจารณาไปแทนที่จะเป็นเรื่องทํา ก็เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของอารมณ์กิเลสมันคอยที่จะแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาง่ายๆเผลอไม่ได้แทรกเข้ามาเผลอไม่ได้แพ้แทรกเข้ามางานที่เราตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาจิตนี้จึงเป็นงานที่ทำต้องทำอย่างต่อเนื่องจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะมีความเกี่ยวข้องกับทำนู่นกับทำนี้ก็ยังสำรวม ร, มรบบะมัดระวังก็ถือว่า ตั้งใจทํากับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ให้เป็นอารมณ์เดียวพอทําสุดมือก็ขยับเข้ามาปุ๊บก็อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมทาเสร็จสิ่งนั้นก็ขยับมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมทาสิ่งนี้เสร็จก็ขยับมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมหมายความว่าเรามีความจําเป็นงจะต้องทําสิ่งนู้นสิ่งนี้เราก็ไม่ปล่อยจิตสักทีเดียวปล่อยให้จิตไหลล่องลอยเตลิดเปิดเปิงไปตามเรื่องจนเคยชิน ขี้เกียจดึงมานี่คือลืมตัวลืมเหลื่อมตัวปล่อยจิตล่องลอยเฉลยเปิดเผงไปโอกาสที่มันจะอยู่ตัวก็อยู่ยากแล้วแหละฉะนั้นจะต้องบังคับบัญชาแหะบังคับตัวเองนะบังคับตัวเองขี้เกียจกิเลสพาขี้เกียจแล้วก็บังคับให้ขยันเป็นคนใจเปราะเป็นคนใจสอกไม่กดไม่ทนไม่ทนต่อ อารมณ์ไม่ทนต่อการตั้ง อ, อกตั้งใจนั่งภาวนาไม่อดไม่ทนต่อเสียงต่อคําพูดต่อสิ่งที่มาก่อขวนวุ่นวายไปในหัวใจไม่อดไม่ทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันมายุใหญ่จิตอดทนต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตอดทนดูจ้องดูพิจารณาดูกําหนดดูนี่ใช่สติคความอดคือความทน สงบสังเวยมไม่วู่วามไม่วู่วามไม่ปากเปลาะไม่ปากบอนเป็นปากมีอัดมีธรรมเป็นปากหนักแน่นเป็นปากกดเป็นปากทนเอาใจกดอในเมื่อใจอดแล้วยอย่างอื่นมันก็พล่อยอดไปด้วยเอาใจสังวรเอาใจสำรวมเอาใจระวังเอาใจอดเอาใจทน กายวายจาก็พลอยสํารวมระวังมันก็พลอยอดปลอยทนไปด้วยก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวของเราทต้องพยายามต้องสั้งเนื้อสอรา้งส า, าต ง, ง, งตัวเอาเองต้องตั้ง อ, อกตั้งใจอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงตั้ง อ, อกตั้งใจกับอะไร ก, กับความเพียร น, นี่แหละกับข้อวัดปฏิบัตินี่แหละตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติข้อวัดที่เราจัดที่เราทํา ไม่ปล่อยจิดให้ล่องลอยไปตามสัญญาอารมณ์ที่มาเกาะเกี่ยวมาผูกพันจิตของเรารักษาอยู่อย่างนี้ตลอดระยะตลอดเวลาหนึ่งเนือจิตของเราก็จะเริ่มได้หลักได้ฐานเริ่มเป็นตัวของตัวสติปัญญาก็เริ่มดีขึ้นความสงบก็เริ่มได้รับผลนะได้รับความสงบเร็วขึ้นได้รับความสุขได้รับความปลื้มเอิบเร็วขึ้นเห็นความอัศจรรย์ภายในจิตของเราเร็วขึ้น ต้องฝ่าฝืนต้องตั้ง อ, อกตั้งใจทําเราฝึกอบรมมากเท่าไรได้มากเท่าไรเด้น้อยเท่าไรก็คือเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลบุญญาวพรมีให้เกิดขึ้นกับจิตของเราทำไปเรื่อยทำไม่ปล่อยผลเพิ่มก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มเปเรื่ยวิบาบกรรมาวิบา ก, ก, รรบากที่เป็นกุศลวิบาบ ก, ก็เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่ มีการตั้งอกตั้งใจทำไม่ว่าสมัยพุธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบั น, นต่อเนื่องมาครูบาอาจารย์ท่านก็ปลุกฝังมาตลอดกิเลสก็มีประจําหัวใจของเรามาตลอดขอวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านปลุกฝังมาก็มี ประจำมาอยู่ตลอดขอให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจสน อ, อกสนใจเอามาเป็นข้อพระผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญให้กับตัวเราเพราอนนี้เป็นอันตอตาประโยชน์เป็นความภาคความเพียรด้วยตัวของตัวเราเองแท้ๆที่เขาเรียกว่าอัตตาเห็อั ต, ตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนแท้หรืออาจิตของเราเนี่ยเป็นที่พึ่ง คนอื่นก็อาศัยบ้างได้เป็นการเป็นคราวแต่สำหรับความสุขที่จะพึ่งเกิดขึ้นที่จิตความทุกข์ที่จะพึ่งเกิดขึ้นที่จิตต้องอาศัยตัวเราโดยแท้สมตามพระพุทธภาสิตที่ว่าอัตติอัตโนธาโถตนแล่เป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่ตั้งตนถ้าเราไม่ยกตนเราก็หาที่พึ่งให้กับตัวเองก็ยังยากหาที่พึ่งให้กับตัวเองก็ยังยาก ชูกิเลสภายในหัวใจไม่ได้มันแทรกเข้ามาแล้วก็เชื่อมันแล้วก็ปล่อยไปแทรกเข้ามาเชื่อมันแล้วก็ปล่อยไปงานการข้างนอกคนนู้นก็ช่วยได้คนนี้ช่วยได้พ่อช่วยได้แม่ช่วยได้หมู่เพื่อนช่วยได้แต่งานการข้างในเกี่ยความสงบของใจอันนี้เราต้องช่วยตัวเราเองอย่างอื่นสิ่งอื่นครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนสถานที่เป็นพระปัจจัยเป็นปัจจัยอื่น แต่ปัจจัยที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําเองเป็นปัจจัยโดยตรงที่เราควรสร้างเสริมบํารุงให้เกิดขึ้นมีขึ้นไม่ให้มันขาดตกบกพร่องเพราะเราจะได้กําลังใจจากการตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระวันพระแรก ในการเขา้พาพรรษาเนี่ยวันพระแรกวันเพ็ญเดือน 8. แปดเรามันหนึ่งข้มเดือนแปดผู้นี้น่าจะเป็นแรมันแปดข้าเดือนแปดเป็นวันพระแรกในในพรรษาในการเขา้พาพรรษากี่วันมาแล้วเจ็ดวันมาแล้วเข้าพรรษามาได้เจ็ดวันมาแล้ว ตรงนี้เป็นวันที่แปดแล้วพวเราตั้ง อ, อกตั้งใจให้มันแตกต่างไปจากเราเข้าพรรษาเราออกพรรษายังไงบ้างการเข้าพรรษามากับการอยู่ในพรรษากับอยู่นอกพรรษาเรายังทําตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมีความอุด ษ, ษาพยายามความผักความเพียรเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นมีความตั้งอกตั้งใจจดจ่อมากขึ้น สิ่งที่จะคุณตั้งใจวิรัตงดเว้นจับมาต่อเนื่องไม่ปล่อยเพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือยังเท่าเดิมหรือยังหย่อนยานหรือยังขึ้นไม่ได้เราก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปทำสติติให้กับตัวเอง เทียบเทียบดูวันเวลาล่วงไปประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นได้รับความสุขได้รับความสงบความขยันเราเท่าเดิมหรือความขยันเมากขึ้นจิตเราสงบหรือไม่สงบเหมือนเดิมหรือวุ่นวายเหมือนเดิมทํามากขึ้นแต่จิตวุ่นวายเท่าเดิ ม, มก็ไม่ใช่แล้วถ้าเราทํามากขึ้นจิตของเราของเราก็จะเริ่มได้รับความสงบได้รับความสุขเนื่องจากเราสนกุกสนใจ ตันนี้เป็นงานเป็นธุระเป็นหน้าที่ของเราเรื่องอุปสรรคในการตั้งใจภาวนามันมีทุกระยะทุกเวลาเพราะเราตั้งใจทำให้ใจสงบมันเป็นปฏิปักษ์กับกิเลสกิเลสมันดึงจิตไปไม่ให้ไม่ให้สงบที่เรียกว่านิวร น, นิวรณคิดเรื่องรักคิดเรื่องชังความฉันทะพยาบาทจากนั้นแล้วก็ความง่วงเหงาหานอนที่เกิดทำ เกียรติธรรมหัวเหาหานอนลังเลสงสัยคิดแกล้งคลางใจทั้งจะไปหน้าทั้งจะถอยหลังที่เขเรียกว่ายังตัดยังปรงใจไม่ได้นี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาคอยรังขวานที่เขาเรียกว่านี่หวนหวนมากัน้นกั้นจิตกั้นใจกั้นสติกัน้นปัญญากั้นความอุตสาหพยายามกั้นความภาคความเพียรไม่ให้เราก้าวไปได้ นี่คือบุษัคือข้อขัดข้องตง้องเอาความภาคความเพียรตั้งเอาไว้อืเพียรที่ใจของเราเนี่ยเพียรสติเอาสติมากํากับใจเนี่ยเพียรตั้งหลุดลงไปก็เพียรตั้งหลุดลงไปก็ดึงเข้ามาหุดลงไปก็ดึงเข้ามาหลุดลงไปก็ดึงเข้ามาหัดเป็นตัวของตัวหัดเป็นตัวของตัวเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของตัว หัดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในภายในอย่าไปยุ่งกับอารมณ์ภายนอกให้มากสิ่งที่เป็นอารมณ์ภายนอกพยายามดึงมาให้เกี่ยวข้องกับจิตของตัวเองน่ยกำลัดจิตดูมาที่จิตอ่ามันไม่อยู่กับจิตก็อยู่กับกายมันไม่อยู่กับกายก็อยู่กับจิตหรือมันอยู่กับกายก็เท่ากับอยู่กับจิตหรือมันอยู่กับจิตก็เท่ากับอยู่กับกายต้องทงความรู้ตัวทั้ง รูปธรรมทั้งนามมันททุกระยะทุกเวลาบางที่เราภาวนาไปาภาวนาไปมันรู้สึกว่าจางๆเลือนลางจางไปจางไปจางไปอ่าคือเราขาดความรู้สึกทางกายกำกับไปด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นเรื่องของกายลมหายใจเข้าเราก็ว่าพุทนี่รูปกระทรรูปธรรมก็ น, นามธรนทมันสัมผัสัมพันธ์กันหายใจออกมาก็โทพุทธ โพุทโธภาวนาไปภาวนาไปรู้รู้สึกเลือนลางจางไปอะไรไปล่องลอยไปอะไรไปแค่แสดงว่าเราขาดความรู้สึกทางกายน้อมมารู้สึกไว้ที่กายเมื่อรู้สึกไว้ที่กายจิตของเราอยู่ที่กายล่ะจิตไม่ไปไหนก็พลอยได้รับความสงบความสงบมันสงบที่กายมันสงบที่ที่ใจเมื่อใจสงบแนบแน่นอยู่ที่กาย กายก็ไปได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็นได้รับความสุขได้รับความเบาที่เขาเรียกว่าเบากายเบากายเบาใจอ่อนกายอ่อนใจมันอ่อนพระอารมณ์มันเข้ามาแทรกไม่ได้มันเริ่มมีความสุขความสงบเริ่มมีเริ่มมีความสุขจิตใจก็เร็วสติปัญญาก็เร็วสติก็เร็วสัมปชัญญะก็เร็วญาณ ทิ้งความรู้สึกที่กายอย่าทิ้งความรู้สึกที่กายบางทีเราไปทาความรู้สึกอยู่กับจิตตัวเฉพาะจิตมันละเอียดมันตามมันไม่ทันดูไปดูไปพิจารณาไปพิจารณาไปอ้าวสัญญามันมาแทรกละ่ะสัญญาเรื่องของเกเรมันมาแทรกเข้าไปแล้วไปตกกีดทวีปก็ไม่รู้แล้วแหละดึงมาดึงมาให้อยู่กับลมเข้าลมออกลมเป็นเรื่องของกาย ถ้าให้เรารู้สึกอยู่ที่กายมันรู้สึกว่ามันนึบเข้ามาเนี่ยอิ่มเข้ามามันดึงเข้ามาที่ร่างกายอาศัยกายดึงเอาไว้จิตไม่ค่อยจะอยู่จิตไม่ค่อยอยากอยู่ผู้ได้ยินได้ฟังมากผู้เรียนมากมีอารมณ์ให้กับจิตมากอย่าทิ้งกายถ้าทิ้งกายแล้วมันยาไม่อยู่อยากทิ้งอารมณ์เกี่ยวกับกาย ถ้าทิ้งอารมณ์การเอาไม่อยู่ให้มันอยู่กับกายไม่อยู่กับอะไรอย่างอื่นอยู่ยากห้ามอยู่กับลมเขา้าลมออกพุโทธโทธพุทโธพุทโธรู้ลมเขา้ารู้ลมออกอย่างเดียวก็ยังใช้ได้พุทโธพุทโธั้งความรู้สึกอยู่ที่กายตลอดนี่ก็เป็นเหตุ ด, ดึงจิตให้ได้รับความสงบได้ง่ายเหมือนกันอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งกาย เรากำหนดเราไม่ดูลมเราไม่สมมุติวันมันเริ่มมีความสงบแล้วเราเราอยากจะพิจารณากายส่วนอื่นบ้างเราก็พิจารณาไปทำความรู้สึกตั้งแต่ผมนี่บนศีรษะนี่ยปลายผมซื้ลงไปจ น, จนถึงปลายเท้าทำความรู้สึกจากปลายเท้ามาจนถึงปลายผมอสอดแทรกความรู้สึกไปทั่วสระผังร่างกายของเราทำความรู้ตัวอยู่กับกายทั้งความรู้สึกอยู่กับกาย แค่นี้ก็ถือว่าเราอยู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมคือไม่ทิ้งกายนี้แล้วก็ไม่ทิ้งจิตนี้จิตเราก็เริ่มมีที่พึ่งจิตเราก็ได้ที่พึ่งจิตเราก็มีกายมีมีจิตเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งกิเลสมันจะแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาปะก็รู้ตัวทันรู้เร็วกิเลมแทรกเข้ามาก็รู้ตัวเร็วแทรกเข้ามารู้ตัวเร็วหนักๆเข้าเรา มีน้ำหนักมากกว่าเรามีกำลังมากกว่าความสงบเราแน่นหนาะมันคงกว่าจิตลองเป็นตัวของตัวมีความสงบได้รับความสงบสิ่งที่เห็นตามตาก็จะเริ่มชัดขึ้นอ่าก็เป็นรูปเป็นรูปไม่ พ, พลิ้วแามไปเห็นรูปดีก็รักไม่ดีก็ชังพวกพระพวกหลัดโดยถ่ายเดี่ยวเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเห็นปับ๊บต้องใจละยังไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแหละว่าแบบคนมาชอบแล้วล่ะอ่ายังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ชอบแล้วล่วพะพอจิตเราเริ่มสงบเราก็รู้เออเห็นรูปเห็นรูปไม่ใช่เห็นรู ป, ร, ป, ร, ปรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีเออยังพอทันมันบ้างแต่เมื่อก่อนเนี่ยรู้ว่ายึดขึ้นมารู้รู้ว่ารูปแล้วก็ยึดขึ้นมาทันทีแหละ อันนี้ถูกตาต้องใจยึดเข้ามาทันทีไม่ถูกตาไม่ต้องใจก็ปัดออกทันทีคือสัจจะทั้งหลายเ่านี้มันเริ่มเชื่อมจิตของเราเริ่มละเอียดดูไปเห็นรูปมันเกิดความรู้รู้ทันรู้ว่าจิตรู้ว่าจิตเห็นรู้ว่าผู้รู้เราไปเห็นรู้เห็นว่าเป็นรูปไม่ดีใจโดยถ่ายเดียวไม่เสียใจโดยถ่ายเดียวไม่รับโดยถ่ายเดียวไม่ทีบออกไปโดยถ่ายเดียวยังรู้ว่าเออเป็นรูปอยังรู้ว่าเป็นรูป มันก็เป็นการแยกโดยอัตโนมัติแล้วนี่สัจจะต่งตางๆล้านนี้มันจะเริ่มเชื่อมเริ่มชินเข้ามาเสียงก็เช่นเดียวกันการตัดสินใจไม่ พ, พลาดพราดมีเหตุมีผลทันทีเราเริ่มอยู่จิตเราเริ่มอยู่สัจจะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจะเริ่มเชื่อมเข้ามาเริ่มเชื่อมเข้ามาเริ่มเชื่อมเข้ามาเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรอะไรสังเกตดูเถอะพอจิตเราเริ่มสงบมันจะเริ่มชัดเข้ามาชัดเข้ามา มันไม่มันไม่มีชอบเสียดโดยถ่ายเดียวผุดพราดนะมันไม่มีชังโดยถ่ายเดียวผุดพลาดจากตาเห็นรูปจากหูได้ยินเสียงจามูกดมกลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสสัมผัสเย็นร้อนเห็นสัมผัสกับสัตว์สัมผัสนะเห็นรูปกับทัตว์เห็นได้ยินกับสัตว์ได้ยินสัมผัสกับสัตว์สัมผัสคือจิตมันจิตมันจิตมันมีหลักมีที่อยู่ของมัน มันไม่พวดพลาดวิ่งไปรับอารมณ์โอกาสที่จะดีใจเร็วก็ไม่ใช่มีการวินิจฉัยใคล้ครวนตัวของตัวเองโอกาสที่จะดีใจเร็วโอกาสที่จะเสียใจเร็วนะกลายเป็นผู้เริ่มมีเหตุมีผลให้กับตัวเองคํา ว, ว่ามีเหตุมีผลก็คือรู้เหตุรู้ผลนี่แหละรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลก็คือเริ่มทันเหตุเริ่มทันผลรู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล นี่มันมีอุปการะมีความเรื้อกูลกับจิตอยู่อย่างนี้จิตเริ่มสงบแต่ถ้าไม่สงบเลยเนี่ยปวดพาดตัดสินใจทันทีแหละพอรักกรักทันทีพอชังก็ชังทันทีไม oh umm e> e e> e> e> ่ร e> ู้เห็นไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยของมันที่เรียกว่าไม่รู้เหตุผลไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเราพยายามทันเพื่อให้รู้เหตุรู้ปัจจัยของมันให้ทันเหตุทันปัจจัยของมันที่ต้องเรียกว่ารู้เท่าทัน เม่อจิดมันรู้เท่าทันแล้วมันไม่ยึดมาแล้วก็มันก็ไม่ผลักออกไปแทนที่มันจะยึดมามันก็ไม่ยึดแทนที่จะผลักออกไปมันก็ไม่ผลักมันเห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยรู้เป็นเหตุรู้เป็นปัจจัยมันมีประการะคุณกับจิดอย่างนี้แค่เราได้รับความสงบแค่เรามีความสงบสัจธรรมความรู้กับหยาบอันนี้ก็จะเริ่ม จะเริ่มเชื่อมเข้ามาให้เราเห็นง่ายๆให้เราเห็นเริ่มชัดขึ้นจากนั้นเราก็หัดพิจารณาไปเพื่อให้ทันเหตุทันปัจจัยมากขึ้นคำว่าทันเหตุทันปัจจัยก็คือทันกิเลนนั่นแหละอ่าเราไม่ทันเหตุไม่ทันปัจจัยก็ไม่ได้พิจารณาว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยพุทธภากิเลนมันก็ดึงเข้ามาแล้วพุทธภามันก็ผลักออกไปแล้วมันถีบออกไปแล้วไม่ทันมันที่เราเรียกว่า ไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่ารู้ทันก็คือไม่รู้เท่าทันกิเลนั่นแหละเพราะความอยากของคือกิเลสภายในใจของเรามันเร็วรวดเร็วมากมันรวดเร็วมากถ้าเรามีสติเป็นตัวของตัวเนี่ยมันจะรวดเร็วมั่ไงเราก็ทันมันแป๊บก็มาเราก็ทันมันแป๊บก็มาเราก็ทันมันเพราะเราทันมันก็อยู่พอเราทันมันก็หยุดพอเราทันมันก็ชะงักพอมันพอเราทันมันก็ชะงักเราอยากชะงักไปแล้วมันก็หยุด พออยู eh uh. um, ่แล้วมันก็อยู it, ่อยู่เราก็ยังดูยังจ้องมันอยู่มันก็ไม่กล้าโผล่เข้ามาอ่ามันไม่กล้าโผล่เข้ามาแต่มันก็จะค่อยๆแแอรโผล่เข้ามาตามเรานี่แหละจะค่อยๆแแอรโผล่เข้ามาเราดูฟังอันนี้เป็นอุปมาแล้วก็ฝึกจิดของตัวเองดูอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้เพื่อจะได้รู้เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่จะค่อยแสดงให้ปรากฏชัดไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป เราจะได้รับความลงใจวความเป็นอนิจจังความไม่คงที่ความไม่คงที่ความเป็นอนิจจังความที่เราบีบบังคับบัญชาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีขึ้นแสดงขึ้นในจิตของเราทางตาหูจมูกกายใจของเราเราจะเห็นว่ามันเป็นหลักอย่างหนึ่งของมันมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของมันมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมัน เราดูแล้วเรายอมรับตามเบียดตามปัจจัยที่มันแสดงออกแค่นี้เราก็จะเริ่มทันเริ่มทันเริ่มทันเกเลดเริ่มทันกเลดแล้วมันจิตมันละเอียดนะมันเริ่มทันเกเลดตาเห็นแต่ว่าจิตมันอยู่ลึกแทนที่จะพลีแลามไปตามหูได้ยินจิตมันอยู่ลึกจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสจิตมันอยู่ลึกแทนที่จะปวดพลาดไปมันไม่ปวดพลาดไป คุณสมบัติของความสงบของจิตจากนั้นแล้วจิตจะเริ่มพัฒนาตัวเองละพัฒนาตัวเองมารู้ความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงของอัตภาพร่างกายรู้่ารู้ขันรู้รูปรธรรมที่เป็นรูปประขันรู้นามธรรมที่เป็นนามขันมันหกักมันหักสอดแทรกมันหักสอดแทรกในข้อปฏิบัติของเราเองในการในงานของเราเอง ขอสำคัญว่าต้องตั้งอกตั้งใจทําให้ได้รับความสงบได้ความสงบแล้วมันจะค่อยๆข ย, ยายไปเองอยากขยายไปเองขอสําคัญว่าอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหะอารมณ์ที่เป็นโล ก, กธรรมนั่นแหลพะพอเราเข้ามารู้เข้ามาเ ข, ข้าใจอย่างนี้โลกกัธรรมก็จะไม่กวนใจเราเราก็มีความสงบเราก็มีความผาสุกเราก็เป็นตัวของตัวนี่ผลจากการฝึกจิตของตัวเอง ทำให้เราได้รับความสุขได้รับความสงบสิ่งเหล่านี้แหละเป็นธรรมคือจิตเชื่องชินกับธรรมจิต ร, รู้จิตเห็นจิตเข้าใจจิตเป็นธรรมกิเลมันแทรกจิตไม่ได้หรือแทรกโดยส่วนละเอียดไม่ได้มาแทรกโดยส่วนหยาบไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนละเอียดอยู่เราก็ยังพอมีความมีความสุขใหญ่มีความสุขใจ อยู่ได้ฝึกฝนอบรมไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยความเพียรสม่ำเสมอไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยเดินโยกมลนังภาวนาอดนอนผ่อนอาหารนะขวัดปฏิบัติทดลงขวัตทั้งหลายทั้งปวงอันไหนที่เราทําไปแล้วได้ประโยชน์ได้กําลังใจเราก็ต้งองตั้งใจทําำ น, นี่เป็นข้อปฏิบัตินะพวกเราได้ยินได้ฟัง ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจผู้ตั้งใจมาดีแล้วก็ตั้งใจดีต่อไปกูยังตั้งเนื้อตั้งตังตวยังไม่ได้ก็ให้ตั้งอุตส่าห์พยายามเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของเราเองไม่ใช่วันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปเข้านะใจไปปล่อยให้กิเลสเอาไปถลุงหมดอยู่คนเดียวกุติก็ตั้งอยู่คนเดียวก็ปล่อย วันคืนล่องปลาปลอยขี้เลดดึงจิตไปทลุงหมดไม่เคยสนอกสนใจที่หมุนมาเพื่อตอก ก, อกบมันเราก็แพ้มันราบตลอดแพ้มันราบตลอดแพ้มันราบตลอดยามเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจอยู่ในความภาคความเพียรเดินโยกกลมก็เดินมากๆเดินจนเหนื่อยเดินจนเหนื่อยนั่งภาวนาก็นั่งมากๆนั่ง พอหมดช่วงต่อไปอนั่งไปนั่งไปหมดช่วงคําว่าหมดช่วงมันเหมือนกับมันหมดยกของมนันนะพเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มขยับนู้นขยับนี้กันอ้าวขึ้นยกใหม่อีกขยับไปเรื่อยอ้าวเพิ่มเข้าไปอีกอหมดเข้าไปอ้าวเพิ่มอีกหมดไปแล้วอ้าวเพิ่มอีกอแบบนี้ไม่ใช่เรานั่ง อวาระเดียวพอกระดูกกระดิ่งคุงกคามมันก็ลบพวกลาดไปแล้วพอจิตเริ่มได้รับความสงบพอมันเริ่มยืมตัวมันขยับออกมาแล้วลบพวกลาดไปแล้วแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรมันขยับออกมาครับเราก็จับใส่เข้าไปอีกกำกับเข้าไปอีกบริกรรมเข้าไปอีกให้มันสงบเข้าไปไปอีก <c oughs> มันหมดยกเข้ามันมันจะออกมา แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกมดยกเขามันก็เพิ่มเข้าไปอลองทําดูอยู่อย่างนี้ดูเราสามารถนั่งได้นานเราสามารถเดินได้นานหรือเราลองตั้งไม่ให้มันเผลอดูนะที่หลวงตาท่านเทศท่ต่บอกตั้งไม่ให้มันเผล่น่ะอะไรเผลอจิตมันมันเผลอมันเผลอนึกว่ามันขาดสติขาดสัมผัสยัญญาอพอเราเริ่มได้บาตรได้ฐานได้รับความสงบบ้างเราไปลองหัดตั้งดูให้มันเผลอ เขาวามันเผลอคือมันพยายามแทรกเข้ามามันจะทําให้จิตของเราเนี่ยละเอียดเวลามีอารมณ์มาเปลี่ยนที่จิตปั๊บพอจิตเราเริ่มเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บจับปั๊บได้ทันทีมันเริ่มเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บจับปั๊บได้ทันทีนี่เขาเรียก ว, ว่าไม่เผลอลองทํารู้ทําได้สิบนาทีโอ้ผมมีคุณมากมายมหาศาลไม่เผลอสิบนาทีไม่ธรรมดานะ อ่ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีเอาจนชินเอาจนเชื่องเอาจนชินเอาจนอยู่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนลองดูมันเป็นอุปการะเกื้อกูลกับจิตเรามากน้อยแค่ไหนต้องฝึกอบรมถึงขนาดนี้อเพราะฉะนั้นการตั้งอัวตั้งใจภาวนาจึงเป็นงานทําทุกระยะทุกเวลาไม่เหมือนงานอย่างอื่นงานนู่นงานนี้ก็ทําเป็นการเป็นคราว ก็เสร็จเสร็จไปแล้วก็ทิ้งทิ้งได้แต่งานนี้ทิ้งไม่ได้เวลาล่วงไปก็ทิ้งยังไม่ได้อารมณ์เกา่ายังรักษาไว้ต่อเนื่องไปปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถ้าเราปล่อยกิเลสแทรเข้ามาเราปล่อยกิเลสก็แทกเข้ามาเราไม่ปล่อยตั้งสติไว้โร่ตลอดรด่อจนถึงขั้นที่ว่าไม่เผลอลองทําดูลองตั้งใจทําดู เพื่อความเจริญเพื่อความเกื้อกูลในหัวใจของเราต้องอ้ต้องใจนะพอสมควรเก่เวลาแหละถ้าใครตั้งใจอย่างนี้ความเป็นอยู่ก็ตามงานการที่เราเกี่ยวข้องก็ตามมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันหากมันแก้เขาเองมันแก้เขาเองไม่ต้องมีใครมาแก้ให้หรอก ต้องมีใครแก้ให้แก้กั้นมาในแก้ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปโทษนู้นโทษนี้โทษอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปโทษฝนโทษแดดโทษลมอย่าไปโทษที่อยู่อาศัยอย่าไปโทษนู้นโทษนี้โทษใจมันไม่ดีแก้มันที่ใจนี่แหละมีปัญหากับอะไรแก้มันที่ใจมีปัญหากับอะไรแก้ที่ใจอยัดไปพยายามแก้สิ่งอื่นอย่างอื่น ทำผูำ้กําใจอย่าไปพูดเป็นการบีบบังคับสิ่งนู้นสิ่งนี้คนนู้นคนนี้เพื่อให้มันถูกใจตัวเองมันบังคับไม่ได้ดอกก็ยิงใส่ฟืนใส่ไฟให้กับเราให้กับท่านอยู่นั่นแหละเรื่องเหล่านี้ต้องระวังต้องระวังมากๆถ้าเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยข้างในแล้วเนี่ยใจมันจะเริ่มละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นตัวของตัวแหละจะไม่เพืพ่อพลาดปากบอนปากง่าย พล่อยๆจะเป็นคนหนักแน่นจะเป็นคนดูมากพิจารนามากสังเกตสังกามากมากกว่าพูดทำมากกว่าพูด ม, มีปัญหากับใจของตัวเองมากกว่าไปมีปัญหากับสิ่งอื่นอย่างอื่นเรื่องอื่นสิ่งคุ้งสิ่งของไม่รู้เรื่องรู้แล้คนนน้นคนนี้นน อ, อะไร ถ้าใจเราเข้าเข้าใจแล้วทุกอย่างเป็นภายนอกทั้งหมดมันสําคัญปัญหาข้างในเนี่ยมันไปจากข้างในตัวนี้ตัวใจของเราเนี่ยอย่ามาแก้ข้างในอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศอันนั้นโชคดีอันนี้โชคร้ายอันนั้นเคราะอันนั้นโศกมันไม่มีอะไรมาสร้างให้ถ้ากิเลสภายในใจของเราไม่สร้างให้เพราะเข็นเวรกรรมอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจไม่ไปสร้างเอาไม่ไปทําเอา มันก็ซ้ําเติมตัวเองเราต้องพอใจแล้วก็เป็นคนหนักแน่นเกี่ยวกับเหตุผลมองเห็นผลปับ๊บจะมองเห็นย้อนไปที่เหตุมองเห็นผลปับ๊บย้อนไปที่เหตุอืผลยินดีพอใจก็ก็เห็นเหตุโอ้เหตุอย่างนี้อย่างนี้ผลไม่ยินดีไม่พอใจดูไปที่เหตุโอ้เห็นเหตุอเราควรจะเลิก เลิกเราควรจะละเราควรจะวางมันเห็นเหตุเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมันมาจากเหตุตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆภาวะความเป็นอยู่การปฏิบัติตัวเองกากับกายวายจาใจของตัวเองดูให้เห็นเหตุให้เห็นปัจจัยในโลกนี้มีเหตุมีเหตุกับผลเท่านั้นนอกจากเหตุกับผลไม่มีอะไรมีขึ้นเกิดขึ้นในโลก ในโลกนี้มีเหตุกับผลเท่านั้นเห็นผลแล้วก็ย้อนไปทีเ่เหตุเห็นผลแล้วก็เข้าใจไปที่เหตุก็หมดสงสัยแล้วสิ่งที่ไม่เห็นเหตุก็คือเราเราติดตันเราเองผลอันนี้เกิดขึ้นเรามองไม่เห็นเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเนาะพยายามเสาะเข้าไปเสาะเข้าไปเสาะหาเหตุจับผลแล้วก็สาวไปหาเหตุมันต้องเห็นนอกจากนั้นแล้วก็จับเหตุ แล้วก็สาวไปหาผลจับเหตุแล้วก็สาวไปหาผลเรื่องบางอย่างที่เราควรจะก้าวล่วงโดยกาย้ดวยวาจาแม้แต่ใจก็ตามอ๋อเป็นเหตุเพื่อผลอะไรเล่าก็ดูไท้ที่เพื่อความสุขเพื่อความเจิญอ้อเป็นศีลเพื่อความเป็นศีลเพื่อความเป็นธรรมหรือเพื่อความทุกข์ยากลงบากเพื่อความไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมเห็นเหตุแล้วก็พยายามทายไปที่ผล แล้วก็หยุดชะงักซะโอ้เป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษผิดศีลผิดธรรมยกเลิกเห็นเหตุอันนี้แล้วโอ้เหตุนี้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเนาะอุตสาหความภาคความเพียรความอดความทนขันติอดเอาไว้โสรัจะสงบเสงี่ยมเข้าไว้อืความอดความทนต้องอดเอาไว้โสระจะความสงบเสงี่ยมฮิริละอายแก่บาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย พยายามสร้างขึ้นมีขึ้นในใจของเราสิ่งนี้เป็นคุณเป็นเหตุสร้างให้มากๆเหตุต่างๆ่เหล่านี้สร้างให้มากๆสติสร้างให้มากมากสมถัญยะสร้างให้มากมากมันแนบมันแน่นเป็นพื้นเป็นพื้นเป็นเพเป็นคุณสิ่งต่างๆ่เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของใจ สร้างเพิ่มพูนทุยคูณมากๆเป็นคุณสมบัติของใจใจดีใจดีใจบุญใจฉลาดใจเป็นกุศลใจชุ่มใจเย็นใจมีความสุขใจสุขขโตตายแล้วก็ไปสุคติแน่นอนถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ใจทุกข์ใจยากใจลาบากใจหาแต่เรื่องให้กับตัวเองใจไปโทษมุ้นไปโทษนี้ ไม่เคยเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรไปแก้ลมแก้แลง้งแก้อะไรไปละนอกนอกจ า, า, ากหลักของอริยสัจนะนอกจากหลักของอริยสัจนะแก้ไม่ถูกแล้วเห็นผลอย่างหนึ่งไปท้ายว่ามาจากเหตุอันหนึ่งอืมเห็นผลอย่างหนึ่งไปท้ายว่ามาจากเหตุอีกอันหนึ่งเราไปแก้เลยทีแก้ก็ยิ่งแก้ยิ่งมัดตัวเองยิ่งแก้ยิ่งมัดคอเองยิ่งแก้ยิ่งมัดคอเดองเพราะ ไปทายผลไม่ถูกกับเหตุแล้วก็ไปพยายามแก้แก้ไม่ถูกยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดอันนี้คือเราไม่ถนัดเราไม่ฝึกฝนเราไม่อบรมเราไม่ถนัดเราไม่เอาความสงบมาเป็นทางเดินของจิตเราไม่เอาสติไม่เอาสัมผัจันญร์ไม่เอาปัญญามาเป็นสิ่งกำกับดูแลระมัดระวังดูแลจิตของตัวเองไม่เห็น ถ้าจริงเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการเห็นผลแล้วก็ย้อนผ่านไปเห็นเหตุนะเห็นว่า ร, ร่างกายของเราเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรร่างกายของเราเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรตัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเรามันมาจากเหตุของอะไรความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจของเรามันเกิดขึ้นมาจากเหตุของอะไรเราฝึกผลอบรมให้รู้ให้ฉลาดให้ทันให้ทันจิตของเราไม่งั้นเราไม่ทัน เราไม่ทันเราก็คอยรับแต่ทุกแต่โทษอย่างเดียวมันพานึกพาคิดพากระเพื่อมแป๊บเดียวเอาทุกมาแล้วพาหนึกพาคิดกระเพื่อมแป๊บเดียวเอาทุกมาแล้วเราไม่รู้เราไม่ทันมันท่านจึงให้ดูผลดูผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุอปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นผลในปัจจุบันทันด่วนอยู่เดี๋ยวนี้เราย้อนไปแก้ที่เหตุอ่ อย่าคิดว่าฟ้าแดดดินลมผีสางนางไม้เทวดาที่ไหนมาทําไม่มีอพวกเปรตอสุรกายที่มันอยู่ในจิตของเราเนี่ยแหละมันมันแสดงให้คุณให้โทษกับเรา เ, เราไปหาโทษสิ่งนอกตัวไปหมดถ้าเราโทษเข้ามาข้างในเราจะเห็นเราจะพยายามําเลยข้างนในในที่สุดเราก็เห็นพอเราเห็นมันก็ดับแล้วพอเราเห็นมันก็ดับพอเราเห็นมันก็ระ ง, งับ พอเราเห็นมันก็เริ่มจางพอเราเห็นมันก็เริ่มคลายเราก็ได้กำลังใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยได้กำลังใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยได้กำลังใจเพิ่มเข้าไปเรื่อยการตังอกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องตั้งใจอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้วันคืนลงไปด้วยมองเห็นประโยชน์อะไรจะเพิ่งเกิดประโยชน์ทุกอย่างลำบากก็ต้องทำ อะไรอะไรคือทุกข์คือยากคือลำบากสรวกสบายขนาดไหนก็ต้องละก็ต้องเว้นต้องปล่อยต้องวางให้ทั้งอกทั้งใจอุตส่าห์พยายามเพื่อผลประโยชน์คือความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนทุกทุกท่านอ่าขอสมควรแกเวลา